สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกสงัดเพราะแววเสียงกูเพรียกนามจิตร้างคันนาเสียงนั้นลอยมาตามลมดึกที่พัดผ่านซอกหินอยู่แผ่วเบามันดังเย็นยเยียดเหมือนจะเป็นเสียงเรียกขึ้นมาจากสุสานใต้พิภพหรือมิฉะนั้นก็นรกขุมใดขมนึงโหยหวนวังเวงนัก ดารินคุ้นซะละกับอาการเรียกนามชนิดนี้แล้ววนเวียนจองเวรหลอกหลอนในสภาพนี้อย่าว่าแต่หล่อนจะโดดเดี่ยวอยู่ตามลำพังกลางป่าเปรียวยามวิกาลเลยแม้จะอยู่ท่ามกลางความอบอุ่นของหมู่คณะมันก็ยังบันดาลแทรกเข้ามารบกวนดวงจิตของหล่อนได้ชนิดที่ถ้าควบคุมสติไม่ได้ก็แทบช็อกไปด้วยความกลัว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 แล้วก็ดังกล้องขึ้นอีกในสภาพเดิมซ้ำๆกันอยู่เช่นนั้นไฟที่ก่อไว้ทางด้านปลายเท้ารีมอดหมดเปลวเหลือแต่ฐานแดงๆซึ่งเมื่อลมโกรกผ่านช่องหินเข้ามามันก็ลุกแดงขึ้นสักครั้งหนึ่งดารินนอนนิ่งไม่กระดุกกระดิกเพียงแต่ค่อยๆขยายเปลือกตาขึ้นทีละน้อยบัตนี้ สายตาของหล่อนเคยชินกับสภาพความมืดรอบตัวแล้วจิตเที่ยงแน่วหนิงไม่มีความหวันสยองพรั่นพรึงใดๆเหลืออยู่อีกแล้วฝ่ามือค่อยๆเลื่อนเข้ามาแตะสัมผัส ด, ด้ามปืนในซองท่างเอวพบว่ามันยังสงบอยู่ในซองและแทนที่จะเย็นเยือกตามสภาพของผิวเหล็กในบรรยากาศแห่งความหนาวเย็นเช่นขณะนี้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 เสียงเพรียกนามในอดีตชาติของหล่อนเวิ่วแววมาอีกแล้วจิตจิตรางคานางจิตจิรางคานางจิตจีรางคานางจิตจิตรางคานาง ราชสกุลสาวนึกขึ้นมาได้ยังไงไม่ทราบได้ในขณะนั้นหลันยกมือป้องปากและตะโกนออกไปเรียกสุดเสียงว่ามั น, มนไรเสียงของดารินดังก้องกังวานสะท้อนไปไกลไม่แพ้เสียงเพียกนามจิตรางคนางเลย มันดังล้อกลับไปกลับมาอยู่หลายเที่ยวเหมือนจะมีเครื่องขยายเสียงระบบเอ็โคเช่นกันอึดใจเต็มๆที่เสียงของหลอนค่อยๆแผวจางหายไปเงาทมึนก็ปรากฏอยู่ในระหว่างช่องหินทางด้านปลายเท้าของหลอนราวกับเงาของอสูรพร้อมกับเสียงแหบต่ำที่ดังปราศัยมาอย่างชัดเจนว่า ข้าพระบาทมันใรเฝ้ารอคอยเสียงเรียกจากพระอม์มาเป็นเวลานับหมื่นแสนปีแล้วเพิ่งจะได้มาสดับได้ยินณราตรีนี้เองบัดนี้ มันไรอยู่เฉพาะเบื้องพระพักข้าพระบาทแล้วพระเจ้าค่ะดารินดึงกายลุกขึ้นนั่งในทันทีนั้นอย่างฉับพลันพร้อมกับกระชากปืนในซองข้างเอวภาพเงาตะคุ่งของอมนุษย์ผู้อมตะเหมือนจะรู้ทันมันลุบแวบเข้าบังก้อนหินที่โผลออกมาในพริตาเช่นกัน ก่อนที่นิ้วของดารินจะแตะไกปืนบนโคถินเตี้ยซ้ายมืออีกร่างหนึง่งลักษณะชะลูดเพียวพอมองเห็นได้จากปรากฏตการบนทองฟ้าเพราะทางช้างเผือกกำลังคลานไต่ขึ้นมาหลอนวาดปืนเข้าใส่แล้วกดตูมออกไปในบัดรดน พร้อมๆกับเปลวไฟที่แลกเป็นทางยาวร่วมสอกร่างวิกลวิการนั้นฟุบพังภาพแน่นิ่งไม่กระดึกระดิบคาอยู่บนก้อนหินนั่นเองอีกเงาหนึ่งก็โผลอกมาทางซีขวามือห่างรลอนเพียงแค่สามวาเท่านั้นดารินเอี้ยวตัวปาดลากล้องปืนเข้าหาพร้อมกับกดออกไปอีกเรียงคลื่นอากาศบริเวณนั้นสั่นสะเทือนไปหมด ด้วยอนุภาพของกระสุนจุดสามห้าเจ็แมกนัมแล้วในความเงียบเช่นนี้ฟ้าผ่าดังอย่างไรมันก็ดังอย่างนั้นซากมามีอันยังมองเห็นไม่ถนัดนะไหยหลังพึงเป็นท่อนไม้เสียงมันฟาดกระพื้นดังบึกใหญ่กระสุนของหล่อนกระทบมันส่วนไหนหล่อนไม่อาจจะบอกได้ แต่ระยะขนาดนี้ไม่มีวันผิดสำหรับมืออย่างดารินวราริ์แล้วหล่อนก็จ้องระวังต่อไปอย่างเยือกเย็นกะว่าไม่ว่าจะเป็นไอตัวไหนทั้งสิ้นโผลออกมาให้เห็นเมื่อไหร่หล่อนจะยิงเมื่อนั้นโดยกะจะทำลายมันไปทีละตัวทีละตัวกังวนเสียงกั บ, บันนา ท, ที่กึกก้องขึ้น ท่ามกลางความเงียบจางหายไปแล้วพักใหญ่ไม่มีอะไรกระโตกกระตาขึ้นอีกเลยในขณะนั้นทุกอย่างสงบนิ่งหญิงสาวโยนกิ่งไม้แห้งที่กองไว้ข้างๆตัวเข้าไปในกองไฟเพื่อเพิ่มเชือ้อก้มลงเป่าสองสามครั้งเปลวไยก็ลุกพรึบขึ้นเพราะได้เชื้อจากใบไผ่แห้งๆทำให้บริเวณที่พักนอนของหล่อน สว่างพรมแผลมขึ้นตามเดิงดารินเริ่มอึดอัดใจเล็กน้อยที่ขาดไฟฉายแต่ก็คิดว่าช่างหัวมันมีสิ่งพอจะอาศัยยังชีพและปกป้องไตตัวอยู่แค่นี้ก็นับว่าสวรรค์ปโปรดหล่อนมากแล้วพอไฟลุกติดขึ้นเป็นเปลวดารินก็เอ่ยขึ้นด้วยเสียงเป็นปกติ มันไรทำไมจะต้องหลบซ่อนอยู่ยังงั้นด้วยล่ะเจ้าเป็นผู้อมตะไม่ใช่เหรอโผล่มาหน่อยสิมีเสียงตอบออกมาจากหลังเงาหินกลัวไปกระเสียงหัวเราะแหบพร่าว่าฝ่าพระบาทเป็นผู้เพียบพร้อมไปแล้วด้วยเสติปัญญา ชันไหนจึงทรงกระทำอะไรด้วยความโฉดเถาเช่นนั้นเล่ามันไม่ได้ยังประโยชน์อันใดขึ้นมาสำหรับฝ่าพระบาทเลยในการที่จ้องจะทำลายล้างบริวารของมันไรอย่างที่ทรงปฏิบัติไปแล้วมันพวกนี้เป็นแค่เพียงวัตถุปราศจากเลือดเนื้อชีวิตและวิญญาณ มันจะทําทุกสิ่งทุกอย่างตามแต่มนตราอาคมสั่งของมันไรเท่านั้นจะทําลายเท่าไรก็ไม่มีวันหมดสิ้นรอตราบใดที่มันไรยังอยู่แม้ทราที่มันไรอาศัยสิงสถิตอยู่ในยามนี้ก็เช่นกันหากฝาพระบาทจะทำลายหรือหยุดมันลงได้มันไรก็จะถอดวิญญาณ ไม่สิงสถิตอยู่ที่ซากอุ่นอีกต่อไปไม่รู้จบจจฟาฟาบาจะมีอำนาจน่าลายซากเหล่านี้ไปได้อีกนานสักเท่าไรเที่ยวราชสกุลสาวผู้เผชิญกับปัญหาอยู่โดดเดี่ยวตามลำพังนิ่งคิดมันก็น่าจะจริงตามที่ไอ้ผีร้ายนั่นเยหยันหล่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ หลอนมีปืนและกระสุนที่ลงอำนาจพระพุทธคุณเป็นอำนาจต่อรองในมือก็จริงดลอนก็มีกระสุนเหลืออยู่อีกกี่นัดเชียวถ้ามันจะล่อหลอกให้ยิงซะพักเดียวกระสุนก็หมดดารินลดนกมาอยู่ในจังหวะฮาร์ฟคอกแล้วหมุนลูกโมกรากเล่นเหมือนหมุนล้อจักรยานถอนใจเฮือกสอดปืนเข้าซองตามเดิมอย่างจำนนฝืนยิน้ม มันตรเราเห็นด้วยกับเจ้าในข้อนี้โวยการที่เราจะต่อต้านเจ้าด้วยอาวุธเพราะฉะนั้นปรากฏกายออกมาเถอะเราพร้อมที่จะประเชิญหน้ากับเจ้าโดยไม่คิดที่จะต่อสู้อะไรกับเจ้าอีกแล้วออกมาสิมันไรออกมาเลยขาดคำของดาริน ร่างสูงใหญ่ตนนั้นก็พลูออกมาอีกครั้งอย่างเช่มชาให้หลอนได้เห็นถนัดตาอีกใช่แล้วซากของนักรบโบราณที่น่าจะเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบลออเลามากที่สุดในบรรดาซากบัมมี่นับอายุไม่ได้แห่งนิทรานครและมันก็เป็นซากที่ลอนเคยพบเห็นใกล้ชิดคุ้นตาจนจําได้ดีที่สุดสิ่งที่แปลกไปก็คือ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 โดยไม่มีสายตาอื่นมาร่วมรู้ร่วมเห็นด้วยในขณะ น, นี้จะว่าหล่อนตาฝาดไปก็ใช่ที่หรือว่าแสงพรมแพลมของกองไฟจะก่อให้เป็นภาพลวงตาทำให้มองเห็นไปเช่นนั้นหล่อนก็ไม่สามารถวินิจฉัยได้ถูกร่างนั้นเดินช้าๆเข้ามาที่หล่อนอีกสองสามก้าวในสภาพของสิ่งมีชีวิตแล้วก็หยุดยืนระงงา น, นิ่ง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 เราขอชมเชยว่าเป็นเลขกนเป็นความสามารถเยี่ยมยอดของเจ้าจริงๆที่ทําให้เราต้องตกมาอยู่ในสภาพเหมือนลูกไก่ในกํามือของเจ้าได้อย่างนี้ดารินเออยต่อไปด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนและยิ้มให้ใบหน้าแข็งกระด้างนั้นยิ้มตอบและเห็นฟันซี่ใหญ่โตภายใต้ขากรรไกรกว้างแข็งแรง มันไกีแต่ความรักความปรารถนาดีต่อฝ่าพระบาทกิจการนาไม่ได้คิดว่าพระโงคงลูกไก่ในกำมือใดๆทั้งสินมันไก่เราก็มีโอกาสได้เสวนาปราัยกันได้นานแน่ละสำหรับราตรีนี้ ดารินเปรยขึ้นอย่างชวนคุยในสภาพปกติธรรมดาที่สุดฝ่าพระบาทข้าพระองค์องรอคอยโอกาสนี้มานานแสนนานนักแล้ ว, ลวระเจ้าค่ะใช่สิแล้วเจ้าก็ทำได้สำเร็จจริงซะด้วยเจ้าเป็นผู้เรืองฤทธิ์มีความสามารถอย่างแท้จริงเราขอยอมรับ ก่อนอื่นขอถามสักนิดเถอะีอ่เจ้ายังแน่ใจเหรอว่าเราคือจิตรางขนางฝ่าพระบาปผู้จืนยงอยู่เป็นอมตะชั่วนิรันดร์การได้ฟ้าวดูการเกิดแล้วดับของฝ่าพระบาปมาหลายชาติโพบแล้วมาชาติโพนี้ อันเป็นรอบวาระที่เราจะได้พบกันสมกับที่รอคอยมาฟ้าทะบาทวนกลับมามีพระรุปโฉมโนมพันย้อนกลับไปสวมพระสิริลักษณ์เดิมของกิติราคนานางทุกรบีนิ้วไม่ว่าพระวรกายพระพัก รื่นน้ำพระเสียงดารินเลิกคิวขึ้นนิดหนึ่งยังยิ้มพลายอยู่เช่นนั้นในภาวะเช่นนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าทำใจดีสู้ผีฮึเช่นนั้นเหรอมันไายแน่แท้พระเจ้าค่ะ ก็ถ้าเช่นนั้นราชปุโรหิตมันไรจะพึงควรปฏิบัติตนเช่นไรละ่ะเมื่ออยู่เฉพาะหน้าของจิตรางคนางพร้อมกับกล่าวาเนิบเนิ บ, นบดารินวราฤทธ์ลุกขึ้นยืนเป็นสง่ากล่าวต่อมาเช่มช้าเหมือนเล่นละครว่าเอาละ่ะถ้างั้นบัดนี้เรายอมรับแล้วว่าเราคือจิตรางคนาง ที่เจ้าประสงค์จะให้ดำรงอิสริยยศฐานันดรนี้มันไตรค่อยๆสุดกายลงไปคุกเข่าแล้วก้มศีรษะลงโค้งคารวะอย่างอ่อนน้อมที่สุดมันไตรขอถวายสักการะต่อองค์มกุณราชกุมารีจิตราพนาง แห่งนิดนิตราณคอเหมือนเช่นทุกครั้งที่ได้เข้าเฝ้าเฉพาะพระพักในครั้งกระโนดได้โปรดรับการน้องกล้าวเคารพสักการะจากมันไครผู้ซื่อสัตย์ด้วยเถิดพระเจ้าเจ้าข่าดารินก้มศีรษะลงนิดหนึ่ง สภาพของหล่อนยามนี้เหมือนคนตกบันไดแล้วก็พลอยกระโจนลงมาซะรู้แล้วรู้รอดซึ่งน่าจะปลอดภัยดีกว่าให้ตามลงมาเฉยๆเอาละมันไตรเราขอรับการสักการะถวายเคารพจากเจ้าแต่เจ้าอ้างว่าเจ้าคือมันไตรผู้ซื่อสัตย์เรายังแข็งใจเจ้าแน่ใจเหรอว่าเจ้านะ่ะซื่อสัตย์ พักดีต่อตัวเราและราชวงศ์ตลอดจนแผ่นดินราชอาณาจักรของเราจริงมันไร้ซื่อสาส์แน่นอนแต่เฉพาะจิตร่างพนางนั่นเดียวเท่านั้นนี้ฉะนั้นก็คงไม่รอคอยมาจนถึงบัดนี้พระเจ้าค่ะ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 เราคงจะได้ล่วงรู้ความจริงในเวลาไม่นานนักหรอกและบัดนี้เจ้าก็เปรียบเสมือนได้ตัวเราไว้ในเงื้อมมือแล้วเจ้าจะปฏิบัติต่อเรายังไงต่อไปนี่ลองบอกมาสิดารินพยายา ม, มใช้วาจาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดหลอนรู้ตัวเองดีว่าขณะนี้รอบตายรอบที่พักนอนชั่วคราวของหลอนถูกไพร่พลผีดิบของมันไตร รายล้อมไว้หมดสิ้นแล้วแล้วอาจมีช้างอีกทั้งขลุงพร้อมที่จะพุ่งเข้ามาเล่นงานหล่อนได้เพียงชั่วรอบงการจากไอ้ผีรายเท่านั้นข้าพระองค์จะมาอัญเชิญเสด็จจิตรางคนางเข้าสู่มาหาอาณาจาักรเดิมดดดอันเป็นแหล่งมาตุภูมิและณที่นั้น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 แม้แต่ภาพแกะสลักของฝ่าพระบาทเองสมัยเมื่อสถาปนาขึ้นเป็นมกุกราชกุมารีสารพัดสิ่งของนครใหญ่แห่งนี้ซึ่งถูกปิดบังซุ้มซ่อนอยู่เป็นเวลาอนันต์กาลเราใคร่ที่จะได้เห็นเช่นนั้น ดารินเออยปนยิ้ละไมประสานแขนทั้งสองกอดอกแต่นั่นก็เอาไว้พูดกันต่อไปภายหลังแล้วกันเราจงมาพูดกันถึงขณะ น, นี้หรือปัจจุบันการปัจจุบันการนี้ก่อนแล้วกันเจ้ากรีดรู้ดีอยู่แล้วนี่ตัวเราเองมีความผูกพันอยู่กับญาติมิตรพี่น้องและหมู่คณะในชาตินี้แต่ตอนนี้ก็ได้พัดพรากจากกันแต่ละคนแต่ละฝ่าย จะแยกกันไปอยู่ที่ไหนมั่งเราก็ไม่อาจจะทราบได้ยึงมีความวิตกกังวลอยู่เป็นอันมากจะมีทางใดที่จะทำให้เราโปร่งใจคลายกังวลซะก่อนเพื่อว่าเราจะได้กลับคืนไปสู่ดินแดนเดิมโดยหมดห่วงบ้างนะขาพระองค์มีข้อเสนอดังนี้นจะเป็นที่พอพระไทยของฝ่าพร ะ, ระบาทหรือไม่ไม ลองพิจารณาเถอะพระเจ้าค่ะจะมีข้อเสน อ, อยังไงก็ลองว่ามาสิในบรรดาญาติมิตรพี่น้องและบริวารของข้าพระบาททุกคนจะไม่ได้รับอันตรายใดๆเลยแล้วมีนานนะัน ก็จะได้พบปะรวมพวกกั น, น, นเดินทางกลับออกไปสู่โลกใหม่ภายนอกได้ไดโดยสวัสดีภาพดีมากมันไรนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องการและมีอะไรอีกละ่ะสำหรับข้อเสนอของเจ้าฝาพระบาทต้องการอะไรอีกละ่ะพระเจ้าค่ะ ดารินเม้มริมฝีปากนิดนึงนิ่งไปครู่นะึงแล้วแล้วอัคคีรุษในบนรรพชาติซึ่งกลายมาเป็นระพินไทรวันในชาตินี้ล่ะขณะนี้กำลังเดินทางอยู่ในปา่าภายใต้อิทธิพลมืดของเจ้าเช่นนี้ใช่ไหมมันไกร ดวงตาที่ไม่เคยสะท้อนแสงของมันไราวาวโรบขึ้นมาราวกับตาเสือกระทบแสงไฟยิ้มเสียฝ่าพระบาทยังผูกพันอาวรอยู่กับมันอีกหรือพระเจ้าค่ะก็แลกกับความปรารถนาที่เจ้าจะเอาตัวเราไปยังไงล่ะมันไร ฝ่าพระบาทต้องการให้มันไรปฏิบัติเช่นไรแล้วพระเจ้าค่ะอดีตปุโรหิตเจ้าเล่แสนกนย้อนถามดารินยังไม่ตอบตรงคำถามแต่บกมือขึ้นช้าๆเอาละมันไรไม่ต้องคุกเข่าอยู่กันหรอกเราอนุญาตให้เจ้ายืนได้แล้ว ภีไร้ผู้เรืองเวทยืนรังงานขึ้นอีกครั้งดารินยิ้มนิดนึงโบกมือเข้าหาตัวก็จะยืนอยู่อย่างนั้นทำไมเล่ามันไรเข้ามาสิเข้ามาใกล้ๆเราเถอะเราเป็นสิ่งที่เจ้าปรารถนาไม่ใช่หรอือไหนจึงไปยืนห่างอยู่อย่างนั้นล่ะมันไรก้าวเท้าช้าช้า เดินอ้อมกองไฟตรงเข้ามาที่ราชสกุลสาวตามคำสั่งเรียกร้องกึ่งชวนเชิญ น, นั้นเท่าแต่แล้วอีกสามเก้าวจะเข้าถึงตัวเจ้าผีร้ายก็ต้องหยุดชะงักลงเพียงแค่นั้นดารินซ่อนยิม้มพยักหน้าเรียกอีกครั้งน้ำเสียงอ่อนหวานทำไมล่ะมันไตร เจ้าจะรีรออะไรอยู่อีกเข้ามาสิเราไม่มีอันตรายใดๆที่จะประทุษร้ายต่อเจ้าได้หรอกมีก็แต่เจ้าเท่านั้นแหละที่มุ่งจะปองร้ายเราสีสะอันใหญ่โตนั้นสายไปมาแช่มช้าข้าพระบาทมิได้ประสงค์ร้ายใดๆต่อเบื้องบาทเลยพระเจ้าค่ะ พี่ว่าได้กระทำการใดๆลงไปบ้างแล้วก็เพียงเพื่อจะได้พระองค์มาสู่อ้อมอกที่รอคอยมานานแสนนานเท่านั้นพระเจ้าค่ะการสนทนาโต้ตอบระหว่างหลอนกับอมนุษย์ที่แสนจะลึกลับตนนั้นบัดนี้เป็นไปอย่างกันเองและปกติธรรมดาที่สุดหลอนพูดภาษาของหลอน แล้วมันก็พูดด้วยภาษาของมันทว่าก็สามารถเข้าใจกันได้เป็นอย่างดีทีท้วนโดยตลอดอ้าวถ้าเช่นนั้นบัตรนี้ก็เป็นโอกาสอันดีของเจ้าแล้วไม่ใช่เหรอมันไตรเระหมดหนทางที่จะหลีกลี่หนีเจ้าไปแห่งใดได้อีกแล้วนี่ถ้าเจ้าประสงค์สิ่งใดในตัวเราก็เชิญสิ เจ้ามาร้ายซึ่งยุคก่อนอยู่ในร่างนักบวชลนแต่บัดนี้สิงสถิตยึดครองอยู่ในร่างของนักรบยังคงยืนนิ่งอยู่เช่นนั้นมีใยที่หญิงสาวจะเอื้อนเอ่ยมัทุรสวาจาเชิญชวนเช่นไรไม่เฉพาะคำพูดเท่านั้นดารินยังทอดแขนทั้งสองออกไปหาประดุดดรุณีผู้รอคอยอ้อมกอดของคนรักฉะนั้น แต่ทันทีที่หลอนยื่นแขนด้วยกิริยาอ่อนช้อยออกไปมันไรก็พงังาหลังห่างออกไปอีกก้าวหนึ่งดารินขมวดคิว้วแซงทำหน้าชะ ง, งนร้องเบาๆว่าอ้ามันไรเชนไหนเจ้าจึงถอยห่างเราไปยังนั้นล่ะก็ไหนบอกว่ารักและปรารถนาเราไม่ใช่เหรอจิตรางขนาง ข้าพระบาทไม่อาที่จะเข้าไปใกล้ชิดพระองค์ได้มากกว่านี้พระเจ้าค่าสำเนียงนั้น พ, พึมพำออกมาแผ่วเบาละห้อยหาอาวรระคนไปกับความพรั่นพึงอ้าวทำไมละ่ะมันไตรดารินยังคงทำหน้าประหลาดใจอยู่เช่นนั้นส่วนในจิตใจ ยิ้มยันพลางภาวนาควบคู่ไปว่าอากาเสฉักทนังอาสิเศษาปาการสันทิตาชินานาพลาสังยุตตาสัตตปาการละลังกตาเพดานกัน้นมานอากาศ ให้ประลาดกเกษมสันอีกให้เป็นปราการกำแพงแก้วกำจัดภัยกำแพงแก้วจิตชันดํารงมัน่นเดโชชัยพระชินราชประศาทให้เป็นเกราะใหญ่ คุ้มครองตนปีศาจพ่อมดผู้เรืองเวทจากนรกมิอาจขยับ ก, กายได้ก้าหนึ่งที่ดารินทำท่าเหมือนจะโผเข้าไปหามันไรกลับถอยหนีออกไปอีกอ้าวแล้วกันนี่เจ้ารังเกียจเราเสียแล้วเหรอมันไรดารินพ่อมิได้พระเจ้าค้า มันไรไม่อาจเข้าใกล้ชิดพระวรกายได้มีร่างแห้ไฟตาขายเพชรลักษณะประหลาดครอบคลุมอยู่รอบพระองค์พระเจ้าค่าดารินแ้งเอียงคอมีอะไรที่ไหนมาครอบคลุมกายเราขนาดนี้เนะ่ะเรามองไม่เห็นเลยสักนิดนมันไรและถ้าแม้ว่าจะมีอยู่จริง เจ้าเป็นผู้เรืองไปด้วยวิทยาเวทแม้แต่สวรรค์หรือนรกก็ยังสะท้านกลัวฉไห น, นจึงไม่ขจัดร่างแหไฟที่เจ้าว่าเห็นคลุมอยู่รอบกายเราออกไปซะละมันไรไม่ตอบยืนทะมือ น, นิ่งใบหน้าลึกลับนั้นบังมุมเปลวไฟที่ก่อไว้ในกองกลายเป็นดำมืดไปตามเดิมดารินหัวเราะเบา กล่าวต่อมาด้วยเสียงอ่อนโยนเช่นเดิมว่ามันไตรเป็นอันว่าบัดนี้เจ้าตรหนักแล้วใช่ไหมว่าไม่หิต ท, ที่อำนาจจากกุศลนะ่ะย่อมจะทรงฤทธิ์อยู่เหนืออำนาจของอากุศลเสมอธรรมะย่อมเหนือกว่าอาธรรมอำนาจจากสวรรค์ มีอิทธิพลอยู่เหนืออำนาจฝ่ายต่ำของนรกโล ก, กันก็เมื่อตระหนักเช่นนี้แล้วเหตุใดจึงไม่คิดเลิกคิดจองเวรจองกรรมกับเราเสียทีละ่ะปล่อยเราไปสเสดมันไตรอันว่ากุศลผลบุญทานใดๆก็ตามที่เราได้ประกอบไว้แล้วนะักชาตินี้และอดีตชาติ เราขอแผ่อุทิศ ส, ส่วนกุศล น, นั้นให้แก่เจ้าขอจงรับไปถึกเสียงกระโชกคล้ายสัตว์ร้ายคำรามมาเบาๆอะ่ะจิตร้างขนางฝาพระบาทอย่าได้คิดทรนงใจเกินไปนะักนละอย่าได้พยายามลองริบกับมันไตรอดีตพิสูจน์มาแล้ว ว่าไม่มีอำนาจของผู้ใดจะเหนือไปกว่ามันใครได้แม้จะมีเกราะป้องพระองค์อยู่ในขณะนี้ก็อย่าได้คิดว่าจะไม่มีโอกาสเผือและฝ่าพระบาทแต่องค์เดียวเมื่อไรทั้งยังมีญาติพี่น้องบริวารกับบุรุษอันเป็นที่รักที่หวังของฝ่าพระบาท ถึงพระองค์เองจะมีเกราะป้องไผอยู่ยยก็เพียงแค่เฉพาะองค์เท่านั้นแต่มันพวกนั้นเรามันพวกนั้ น, น, นจะมีอะไรมาคุ้ม ม, ม, มันจะต้องพินาศหมดทุกชีวิตและแม่ชีพจะดับสิ้นแล้วก็ตามวิญญาณของมันไปละวิญญาณ มันไรก็สามารถจะตามราวีต่อไปได้อีกไม่รู้จบฉะนั้นจึงเตือนสไปฟ้าพระบาทไว้จงใครควรไตรตรองให้ดีมันไรแม้จะเข้าใกล้คิดพระวรากายไม่ได้แต่มันไรก็บันดาลให้เกิดสิ่งเลวร้ายต่อฟ้าพระบาทได้ทุกขณะนา รวมไปถึงบุคคลอันเป็นที่รักที่ห่วงของฝ่าพระบาททุกคนด้วยมันเริ่มคู่ขวัญทําสงครามจิตวิทยากับหลอนมาแล้วแต่ดารินไม่หวั่นบัดนี้หลอนแน่ใจแล้วว่ามันไรและบริวารจะไม่บังอาจ แต่ต้องกายของหล่อนได้โดยเด็ดขาดราบใดก็ตามที่พระพุทธเจ้าและอรหันตเจ้าทุกพระองค์ยังแผ่รังสีปกปักคุ้มครองหล่อนผู้ประพฤติ ช, ชอบอยู่ในธรรมเช่นนี้แต่จะยังไงก็ตามสถานภาพของหล่อนยามนี้ก็ยังเป็นรองอยู่และถึงกระนั้นหล่อนก็พอจะมีอำนาจในการต่อรองแล้ว สำหรับเจ้าตัวมนรนายตนนี้ดีมันไรเป็นการดีมากที่เจ้าปรากฏกายออกมาพบเราใกล้ชิดในคืนนี้ดารินอ่อนเสียงแผ่วนุ่มลงตามเดิมเหมือนประโลมใจตอนนี้ก็ไม่มีผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นการพบกันสองต่อสองตามลำพัง นั่งสิมันไตรเราจะได้สนทนากันเราเองก็อยากจะพบเจ้าในสภาพเช่นนี้มานานแล้วนี่ขอพระไทยจิตร่างขนางมันไตรว่าแล้วก็ค่อยๆ ย, ย่อนกายลงนั่งเหมือนมนุษย์ปกติบนโขดหินใกล้ๆโดยเบี่ยงหลังให้กองไฟขณะที่มันได้นั่งลงอย่างสงบเรียบร้อยแล้ว ร่างนั้นก็ยังสูงกว่าร่างกายที่ยืนอยู่เต็มสัดส่วนของดารินซะด้วยซ้ำดารินสุดกายลงนั่งตามเดิมณที่ของหล่อนควักบุหรี่จากกระเป๋าเสื้อออกมาจุดสูบเหมือนเป็นการพบปะสนทนากับบุคคลธรรมดาทันทีที่เปลวไฟจากซิโป้สว่างแวบลนติดลายบุหรี่อับมนุษย์ยกแขนขึ้นบังหน้าไว้ บ่งชัดว่าเปลวไฟหรือแสงสว่างไม่ถูกกำมันนักหล่อนอยากจะทดลองเอาฟืนติดไฟโยนเข้าใส่มันสักดุ่นแต่ก็เกรงว่าจะเสียพิธีซะ ก, ก่อนยามนี้หล่อนต้องการหลอกล่อลวงเพื่อลวงความจริงออกมาให้ได้มากที่สุดและพยายามจะให้มันเห็นว่าหล่อนจะไม่ก่อพิษก่อภัยเป็นอันตรายใดๆต่อมันเลย พ้นบุรีเป็นทางยาวไปทางเจ้าปีศาจพ่อหมดร้ายริมฝีปากของหล่อนยิ้มให้อย่างเป็นมิตรดารินไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะสามารถจับกระแสความคิดอ่านของหล่อนได้ไหมแต่ก็เชื่อว่าอํานาจอันศักดิ์สิทธิ์ของอารหันตเจ้าที่แวดล้อมอยู่รอบกายขณะ น, นี้จะสะกัดกัน้นหยุดยั้งอิทธิฤทธ์ร้ายของมันมิให้กล้ำกลายเข้าถึงหล่อนได้ ไม่ว่าจะทางร่างกายหรือทางดวงจิตวิญญาณแล้วหล่อนก็จะไม่ทําการใดอย่างโง่งๆให้มันตื่นหรือไหวตัวซะ ก, ก่อนเท่าๆกับที่ต้องระมัดระวังตนขีดสุดที่จะไม่ให้พลั้งพลาดเสียทีตกเป็นเหยื่ออยู่ภายใต้ริทรายกาดของมันอ่ะมันไตรเรามาคุยกันฉันมิตรฉันที่เคยมีความผูกพันเกี่ยวข้องต่อกันมาก่อนอย่างเจ้าเอ่ย อ, อ้าง ตกลงไหมค่ะพระองค์ปรารถนาเช่นนี้มานานแล้วพระเจ้าค่ะเพียงแต่ฟ้าพระบา ท, าบาทไม่ประทานโอกาสเช่นนี้ให้แกมันครเท่านั้นเลยก็เดี๋ยวนี้ยังไงล่ะมันไตรตอนนี้จะมีโอกาสแล้วนี่และเราก็มีความยินดีพอใจที่จะได้พบเจ้าในสภาพนี้มากกว่าที่จะพบเห็นเจ้า ในลักษณะศัตรูอันน่าสะพึงกลัวคอยแต่หลอกหลอนเยี่ยงปีศาจผีร้ายแล้วคอยก่อแต่ภัยพิบัติให้ข้าพระองค์มีได้มีเจตนาจักระทาอันใดให้เป็นที่ระคายต่อเบื่องพระบาทเลยแต่บางขณะก็จำเป็นต้องบันดาลให้เกิดขึ้นเพื่ออย่างน้อย เราก็จะได้เพลิดเพลินเช่นเช่นราตรีนี้พระเจ้าจ่าน้ำเสียงของมันไรอ่อนโยนลงเช่นกันดารินบอกตนเองว่าหล่อนกำลังจะกล่อมหรือหลอกผีคิดดูแล้วก็อดขำตัวเองไม่ได้ก็ดีเหมือนกันมันหลอกหลอนสร้างพิษภัยให้กัหล่อนมามากแล้วคราวนี้หล่อนจะหลอกมันบ้างละ การได้พักหลับนอนมานานพอสมควรทําให้สุขภาพทั้งกายและจิตของหล่อนพร้อมมูลยิ่งรู้แน่ว่ามันไม่อาจทำไรไ้ายใดๆต่อหล่อนได้ซึ่งซึ่งหน้าก็ยิ่งเต็มไปด้วยพลังใจเดี๋ยวนี้หลอนไม่หวาดกลัวพรั่นพรึงต่อเจ้าผีร้ายมหาพูดตนนี้เลยแม้แต่นิดเดียวสมองอัญชานฉลาดเริ่มทำงานในทันทีเออหนี่มันไตร เมื่อสักครู่นี่เรากําลังอยู่ในระหว่างข้อแลกเปลี่ยนกันอยู่นะไหนบอกให้ชัดอีกสักครั้งสิเจ้าต้องการอะไรจากเราหรือประสงค์ให้เราปฏิบัติยังไงเพื่อเป็นการยาสึกในครั้งนี้ระหว่างฝ่ายเรากับฝ่ายเจ้านะี่ยดารินเริ่มขึ้นอย่างช้าช้าชัดเจนเพื่อที่จะตีกล่อมเข้าหาความจริงอันซ่อนเร้นอย่างลี้ลับในอดีตชาติของตนเอง มันไตรประสงค์ที่จะอัญเชิญเสด็จฟ้าพระบาทกิดรางคนากลับคืนไปยังราชอาณาจักรอันเป็นแหล่งกำเนิดเดิมเป็นราชสมบัติเดิมของพระองค์ดังได้กราบทูลไว้แล้วพระเจ้าค่ะเพื่ออะไรกันมันไรจงตอบเราให้ชัดแจ้งสิ เพื่อเป็นมิ่งหวัญเป็นความปีติสุขของมันไตรเพื่อให้มันไตรได้ลุกล่วงตามจิตเสนหาพิษวาสดต่อพระองค์มาโดยตลอดและเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาที่พระองค์เคยให้ไว้แก่มันไตร ในค <ใน S 1> รังร้งกระโนดพระเจ้<ร>จาค่ะเป็นคำตอบอย่างหนักแน่นมั่นคงที่สุดของปีศาจพ่อหมดรายเอาละดารินคิดความในทั้งหลายแหล่กำลังจะได้ถูกเปิดเผยออกไปละซึ่งหล่อนก็ปรารถนาที่จะได้ทราบเป็นที่สุดไม่ว่ามันจะเป็นความจริงหรือเป็นความโป๊ะปดมดเท็ดก็ตามที นี่แปลว่าเราได้เคยมีสัญญาไว้กับเจ้าอย่างนั้นเหรอมันไรพระเจ้าค่ะพระองค์ได้มีสัญญาไว้กับมันไรอย่างแน่แท้มิฉะนั้นมันไรผู้พักลีจะมีงเล่ารอคอยมาจนถึงบัดบัตรรอพระเจ้าค่ะ หญิงสาวผู้ซึ่งบัตรนี้ได้เป็นคู่สนทนากับสิ่งอันเลวร้ายแต่เต็มไปด้วยอิทธิฤทธิ์อำนาจมากที่สุดอัดบุรีแดงวา่าระหนักตนเองว่าหล่อนกำลังอยู่ท่ามกลางสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์ยิ่งและในขณะที่ยังตื่นลืมตามีสติพร้อมมูลหาใช่จากความฝันร้ายไม่เพียงแต่เผชิญอยู่ตามลาพังคนเดียว โดยไม่มีบุคคลที่สามารถร่วมรู้เห็นเท่านั้นเงื่อนไขแห่งสัญญานะไหนลองทบทวนให้เราเข้าใจอีกครั้งสิมันไ่เจ้าว่าเราสัญญานะเราสัญญากับเจ้าไว้อย่างไงจสดับฟังให้ดีนะพระเจ้าค่ะแล้วคอยเข้าพระทัยไว้ด้วยจิตรางคนาง เสียงนั้นแช่มช้าต่ำพระดังมาอย่างมีจังหวะจักโคนและชัดเจนยิ่งมันไรจะชวนให้ฟังอีกครั้งเมื่อครั้งพระองค์ยังทรงอิสริยยศดำรงตำแหน่งเป็นมกุฎราชกุมารีแห่งมหาอาณาจักรนิทรานคร แล้วมันไตรผู้นี้เป็นมหาราชครูปูโรหิตที่ปรึกษาราชการแผ่นดินของพระเจ้ามหิทธิเดชะกษัตราธิราชผู้ปกครองแผ่นดินอันเป็นพระราชบิดาณวารหนึงเมื่อถึงกรรมเก่าที่เวียนมาถึง สมงเดจพระราชบิดาของพระองค์ได้ทรงประชวรหนักตามดวงชะตานั้นจะต้องถึงแก่ชีวิตไม่มีแพทย์หลวงหรือผู้มีวิทยาการเรืองฤทธิ์ผู้ใดจะทำการต่อพระชนชีให้แก่พระราชบิดาของพระองค์ได้ มันใรเองก็ได้ัวดวนแล้วเห็นแน่ว่าพระเคราะห์นั้นหนักยากที่ผู้ใดในแผ่นดินจะช่วยติดเลื้องพระเคราะยืดพระชนชีของกษัตริย์ไม่ทีิเดชะได้เว้นไว้แต่ประการเดียวประการเดียว มันใครจะต้องกระทำพิธีใหญ่เพื่อหักเหดวงชะตาเป็นการแบ่งเบาปัดเบาคระเคราะหเพียงชั่วขณะเพื่อยึดพระชนชีออกไปแต่โดยวิธีนั้นมันใครจะต้องยอมทนทุกขเวทนาและเสียสละ ยิ่งนักมันไตรหยุดเว้นระยะนิดหนึ่งดารินเงี่ยหูสดับอย่างพิจารณาไปทุกท้อยกระทงความหล่อนพยักหน้าเตือนว่าแล้วยังไงต่อไปละ่ะเรากำลังฟังอยู่มันไรจิตรา้รางคันา องเองขนานั้นมีพระชนมายุได้สิบแปดชั้นสาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมกุฎราชกุมารีแหงแว่นแคว้นอันไพศาลนี้แล้วถ้าแม้ว่าสนเด็จประดิษฐานมรดลงเมื่อใดเมื่อนั้น พระองค์ก็จะเสด็จขึ้นทลืงธหวันราชเป็นกษัตริย์เป็นสมเด็จพระราชนีแห่งนครใหญ่ตามโบราณราชประเพณีพระองค์เองในยามนั้นก็ทรงได้ล่วงรู้ในพิธีที่จะต่อพระชนชีของสมเด็จพระบิดาโดยตลอด ทั้งที่เป็นความลับลังดำมืดไม่เปิดเผยแต่สงทราบได้เพราะนางแม่มดนามว่าอาราลีผู้รักษาเทวาลัยเป็นผู้กระสิบบอกความและพระองค์เองก็เป็นผู้มีกตัญญูกตตะเวทิตาสูงสุด สมเป็นยอดหญิงแห่งแผ่นดินสมเป็นพระราชธิดาองค์เดียวของพระเจ้าไมฮิตยิเดชะไม่ทรงประสงค์จะให้สมเด็จพระราชธิดาต้องสวรรค์คตลงสักก่อนไม่ปรารถนาที่จะขึ้นทะลึ่งทวารดโดยช่วยโอกาสรอคอยนิ่งอยู่ได้ ให้พระชนกนาต้องสิ้นพระชนลงมซักในครั้งกรันั้นดังนั้นพระองค์ผู้ซึ่งนิเคยได้ใหญ่ดีสนพระไทยใดๆกับราชพุโรหิตมันไรมาก่อนเลยแม้จะตระหนักแน่ในพระไทยว่ามันไรนี้แสนจะสเนหา แอปุพันมีจิตพิศวาสมานานแล้วประดุษสุนักต่มต้ยที่แง้มมองดวงดาวกลันนั้นพระองค์ก็ยังล้อมลดรัเกียดลงได้เข้ามาวิ่งวนพระขอร้องต่อมันไรขอให้มันไรยอมสละตนเอง กระทำพิธีต่อพระชนชีให้แกสงเด็ดพระราชบิดาระหว่างบรรทมแซวอยู่บนพระทีโรอมรณการที่กำลังจะเข้ามาถึงโดยให้สัตย์สัญญาไว้ว่าแม้มันไรสละตนเองกระทำพิธีต่อพระชนชี ของพระราชบิดาให้ฟื้นคืนคงขึ้นมาได้จิตรางคนางเทวีคือพระองค์ในยุคนั้นจะยอมมอบกายมอบความรักให้แกมันไรน่าสนใจน่าสนใจมากไหนลองต่ออีกสิ ด้วยความรักที่มีอยู่ท่วมท้นเป็นทุนเดิมด้วยความหลงกลต่อว่าจะอดออ่อนวิ่งวนของสัตว์รีรูปงามที่ตนเองหมายปองมันไครจึงกล้ายอมเสียสลักสิทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างพิธีกรรมนั้น ดังได้กล่าวแล้วว่ายิ่งใหญ่นักแล้วตัวมันไรเองก็จะต้องได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสเพราะสิ่งันสำคัญยิ่งของการกระทำโกศถวายแกเอมาหิตเทเดชะก็คือมันไรจะต้องยอมควักดวงตาข้าม ออกมาผสมกับสับปสษัโอสถเพื่อประกอบเป็นโอสถทิพขึ้นแต่มันใจก็ยอมมันใจยอมแล้วเพื่อยอดหญิงอันเป็นที่รักควักดวงตาของตนเองอคสมเป็นโอสดถวายที่แกพระชนกของพระองค์ เมื่อได้รับการวายโอสถวิเศษจากมหาคัมภีรีลับซึ่งได้รับตกทอดมาจากบรรพบุรุษของมันไตรเองนั้นพระอาการประชวนของมหิติเดชะก็ทุเลาขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงแค่ไม่เกินสามทิวาราตรีการพระองค์ก็กลับฟื้นคืนคงพระชนชี มีพระสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงขึ้ น, นเหมือนเดิมแข็งแรงแม้กระทั่งจะทรงมา้าศึกออกทําสงครามสู้รบปราบอริราชศัตรูอันเป็นแวน่นแหวนน้อยใหญ่ถายใต้ขันทศีมาที่ก่อการกระด้างกระเดื่องขึ้นได้กษัตริย์มห ah ิิเดชะยืนคง กลับมาเป็นผู้แก่งกล้าในสงครามตามเลยมีพระราชธิดาคือจิตรางคนาเทวีผู้งามประหนึ่งจะเหยียบสามโลกดำรงตำแหน่งมาุุราชกุมารีเพื่อซื้อต่อราชสมบัติตามแต่มันไกรมันไกรผู้เสียสละ ได้สูญเสียดวงตาไปแล้วข้างหนึ่งไม่มีใครรู้เห็นความเสียสละของมันไครนอกจากเจ้าหญิงพระองค์นั้นและนางแม่มดอาราลีผู้รู้ความลับนี้รวมทั้งเป็นผู้ยุยงตัวมันไกรเท่านั้นดารินวราฤทธ เป่าควันบุหรี่ลงเบื้องต่ำตามองจับนิ่งไปยังร่างทะมึนลึกลับที่มาบอกเล่าความย้อนหลังในอดีตการแก่หล่อนร่างนั้นแนวนิ่งพร้อมท้งยิ้มน้อยๆทำไมละมันไรทำไมถึงจะต้องเป็นดวงตาของเจ้าด้วยจะเป็นดวงตาของผู้อื่นไม่ได้เลย ไม่ได้พระเจ้าค่ะจะเป็นดวงตาของผู้ใดไม่ได้ทั้งสิน้นจะต้องเป็นดวงตาของผู้ทรงวิทยาคุณทางสยเยวิมมตรามีอาคมแก่กล้าที่สุดในแผ่นดินซึ่งในวาระนั้นมี ม, ม, มีผู้ใดจะเหนือไปกว่าราชปุโรหิตมันไรได้พระเจ้าค่ะ นี่มันไลาเจ้าเน่เป็นที่ปรึกษาราชาการแผ่นดินมีตำแหน่งอันให ญ, ญ่ยิ่งในอาณาจักรขนาดนั้นถูกต้องไหมถูกต้องพ ร, พระเจ้าค่ะนะก็เปรียบเสมือนข้าแผ่นดินแล้วก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาก็โดยการพระราชทานตำแหน่งยศถามอบความไว้วางพระทยัย ปูกฝังเลี้ยงดูมาโดยพระราชบิดาของเราใช่ไหมละ่ะก็ใช่ถ้ามันไรไม่มีวิทยาการสูงส่งฉไหนพระราชบิดาของพระองค์จะทรงชุบเลี้ยงไวล้ล่ะพระเจ้าค่ะแต่เจ้าก็ยอมรับแล้วนี่ว่าพระราชบิดาของเรานัดชุบเลี้ยงเจ้าไว้พระราชทานตำแหนง่ง แต่งตั้งให้เป็นใหญ่ในแผ่นดินถึงปานนั้นก็เมื่อพระราชบิดาของเราซึ่งเป็นเจ้าเนื้อหัวของเจ้าโดยตรงปลูกฝังเลี้ยงดูเจ้ามาครั้นเมื่อพระองค์ประสบเคราะห์เช่นนั้นฉนใดเจ้าจึงไม่แสดงกระตะเวทิตาคุณสนองตอบต่อเบื้องพระยุคลบาตถาวายการรักษาพระองค์หายประชวนขึ้นมาโดยมิพักให้เราซึ่งเป็นบุตรสาว ถึงกระต้องไปวิงวอนขอร้องเจ้าเช่นนั้นละ่ะมันไตรอึ้งไปชั่วขณะดารินหัวเราะเบาๆนี่มันไตรนี่จะเป็นการพิสูจน์ได้ไหมว่าในเบื้องต้นเจ้าก็มีเล่แล้วแม้แต่จะช่วยกษัตริย์เหนือหัวที่ฟูมฟักเลี้ยงดูเจ้ามาเจ้าก็ยังไม่ช่วยจนกระทั่งราชธิดาของกษัตริย์องค์นั้น อันเจ้าหมายถึงตัวเราในปัจจุบันนี้ต้องไปวิงวอนขอร้องเจ้าปุโรหิตผู้อมตะตอบมาด้วยเสียงกระด้างหยิกรางคนางทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องนี้ข้าพระบาทได้ทูลแล้วว่าเป็นความลับที่ไม่มีใครรู้แม้แต่พระราชบิดาของพระองค์เอง หรือข่าราชบริพารทุกทุฝั่ามันไรน่ะถึงแม้จะจงรักภักดีต่อราชวงศ์เพียงไรก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะสงวนดวงตาของตนเองไว้ได้เช่นการมิใช่หรือเพราะไม่มีผู้ใดสามารถมาบังคับมันไรได้อันหนึ่งแผ่นดินในยามนั้น ภายในของราชวงศ์เองก็กำลังดวนเรอยู่อย่างเป็นความลับเสมือนคลื่นใต้น้ำโดยอาณาประชาราชไม่รู้จะมีก็แต่ขุนศึกและมุขอามมาศผู้ใหญ่เท่านั้นจะยังทราบความในได้ไหนเป็นยังไงลองอธิบายต่อสิหัวคิวของดารินขมวด ด้วยอาการชะงนเงี่ยหูฟังต่อไปจิตกลางคณงมันเป็นช่วงระยะเวลาที่ราชบัลลังก์อาจพลัดเปลี่ยนเมื่อใดก็ได้ทั้งสิ้นณะที่กษัตริย์ไมฮิธิเดชกำลังทรงประชวนอยู่พระผู้บงการทางทหารโดยตรงอันเปรียบเสมือนพระหัตถ์เบื้องขวา ของมหิทธิเดชะคืออุปราชชัยสุริยาอันเป็นพระราชอนุชาร่วมพระชนกชนนีเดียวกันกับมหิทธิเดชะกำอำนาจเต็มในทางทหารชายสุริยาพระอนุชาในยามนั้นมีความน้อยเนื้อต่ำพระไทยในองค์พระเชษฐามานานแล้ว ที่ตนเองเป็นขุนศึกคู่พระไทยรบเคียงคู่กับพระเชษฐามาตลอดแต่แทนที่จะรังตำแหน่งพระยุภราชเพื่อครองบัลลังก์นิทรานครสืบต่อจากพระเชษฐากลับสถาปนาพระราชธิดาจิตรางคขนางซึ่งมีอยู่เพียงพระองค์เดียวและยังเป็นดารุณีอ่อนวั ขึ้นมาดังรงตำแหน่งมากราชกุมารีอันหมายถึงจะมอบบัลลังก์ให้บุตรสาวผู้ขนาดนั้นเยาว์วันแทนที่จะมอบให้แก่พระอนุชาชัยสุริยาได้ท่องสุมผู้คนและทหารเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติการช่วงชิงราชบัลลังก์ไว้ลับๆแล้ว เพียงแต่ยังมิกล้าจะกระทําการใดๆลงไปในระยะที่พระเชษฐายังทรงแข็งแรงกล้าอยู่ครั้นเมื่อพระเชษฐาประชวนหนะักมรณาการห็นอยู่เพียงแค่เอื้อมชัยสุริยาาระเตรียมแผนการพร้อมอยู่แล้วแม้พระเชษฐาสวรรคตรเมื่อใดมกุฎราชกุมารีจิตรางคนาง ซึ่งเป็นเพียงเจ้าหญิงไวยดารณีจะถูกความบันลังลงทันทีเราขุนทหารและมุขอามาทั้งหลายก็แบ่งกันออกเป็นสองฝักสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งยังจงรักทักดีต่อกษัตริย์มหิติเดชะอีกฝ่ายหนึ่งหันมาสวามิภักต์ต่อพระอนุชาไชยสุดิยา และอันว่ามันไรปุโรหิตผู้นี้ถ้าไม่คิดถึงจิตรางคนางอันติงนยอดเสนหาเสเพียงผู้เดียวก็ย่อมจะหันไปสวามิภักด์ฝากตัวต่อชัยสุริยาพระอนุชาก็ได้มิใช่หรือแต่มันไรก็หาทางเช่นนั้นไม่กลับยอมเสียสละตนเองเพราะรักจิตรางคนา ทุบพระชนชีพของมฮิธิเดชะให้กลับฟื้นคืนคงขึ้นมาอีกวาระหนึ่งครั้นเมื่อมฮิธิเดชะหายจากประชนหนักมีพลานาไมยสมบูรณ์เช่นเดิมแผนการเตรียมโค่นอำนาจยึดราชบัลลังก์ของพระอนุชาชัยสุยาก็ต้องชะงักลงเพียงแค่ สิ่งนี้หาใช่ความดีความชอบหาใช่ความจงรักภักดีของมันไรที่จิตราขนางจะทรงเห็นบ้างไม่ได้เชียวหรือคราวนี้ดารินเองกลับเป็นขวายงันไปบ้างชั่วขณะแล้วต้องหัวเราะแผ่วลงมันไรเจ้าเป็นผู้ฉลาดเลิศไปด้วยวาจา และสติปัญญามาแต่ไหนแต่ไรแล้วและจากคําบอกเล่าของเจ้าทําให้เราพอจะมองเห็นอะไรกระเจางขึ้นมาบ้างพอสมควรเมื่อนํามาเปรียบกับสิ่งที่เรารู้มาก่อนบ้างแล้วฉะนั้นแปลว่าชัยสุวิยานี่คือพระปิตุลาหรือพระเจ้าอาของเราหนาเองถูกต้องไหมถูกต้องพระเจ้าขา่า ถ้างั้นพันธุมวดีเจ้าหญิงพันธุ ม, มวดีก็คือราชธิดาอของชชยสุริยามีศัก์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระองค์งนั่นเองเพียงแต่ในวาระนั้นพันธุ ม, มวดีมีชันาสาหาา่างจากจิตรางขนาง ส, สิบขวบปี ขอให้พระองค์เข้าพระไทยเสดียวนี้ดูอาณาจักรกิรานครปรักเปลี่ยนเจ้าผู้ครองและเจ้าหญิงผู้รังราชบัลังมาสองยุคสองสมัยในช่วงระยะเวลาห่างกันประมาณสิบปีดาริงเบิกตานิดหนึ่งพร้อมกับก้มศีรษะลงครางออกมาว่า นี่เรื่องราวเป็นอย่างนี้เหรอเราเพิ่งจะมาประจักษ์แจ้งเอาเดี๋ยวนี้เองเรารู้จักนามกษัตริย์ชัยสุริยามาก่อนแล้วเราก็รู้จักพร้อมทั้งหินทุมพันธุมมาวดีในโลงแก้วเมื่อครั้งที่เราผ่านเข้านิทรานครในตอนนั้นแต่เราหาเคยรู้เรื่องราวของตัวเองไม่ว่าจะไปเกี่ยวข้องกับเจ้ากับนิทรานนครได้ยังไง นี่คือเรื่องราวอันลึกซึ้งคือเรื่องราวสลับซับซ้อนที่แฝงซ่อนมาเป็นเวลาอันันทกาลอย่างที่มันไรทูลแล้วพระเจ้าค่าล้เอาล ะ, าละคราวนี้หันมาถึงเรื่องราวของตัวเราต่อแล้วกันเมื่อเจ้าชุบชีวิตใหม่ให้แก่พระราชบิดาของเราสำเร็จเกิดอะไรขึ้นต่อไปละ่ะ <ś les> จิต ر ا งขนางก็ตระบัดสัตว์พลิกวพลิ้วลอกล่ อ, ลอมันไรต่อไปนะสิ <ś les> เราอะเหรอดารินชีที่อกตัวเองก็ฟ้าพระบาทนั่นแหละ <ś les> เรากระหลอกเจ้ายังไงประวิงเวลาบายเบียงไปเรื่อยๆวอนให้มันใจ ร, รอรอจนกว่าจะพระชนมายุครบยี่สิบบ้างละร้อยพระองค์เองนำความขึ้นกราบทูลความจริงทั้งหลายแหล่แกพระราชบิดา้างซึ่งนั้นหมายถึงคำขู่ไกล ถ้าแม้ว่าพระองค์กราบทูงพระราชบิดาเกี่ยวกับเรื่องให้สัญญากับมันไรเมื่อใดมันไรก็ต้องหัวขาดเงินนั้นมันไรจึงได้แต่เฝ้ารอรอคอยหลงรักมาตลอดทำความดีงามทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่มันไรจะกระทำได้เพื่อหวังว่าสักวันหนึ่ง พระองค์จะทรงประทานความหินใจกลายเป็นความหวังลมๆแรงๆของราชปุโรหิตบันไรมตรซึ่งโง่เพราะความรักโง่เพราะความหลงดาริงอดหัวเราะออกมาไม่ได้อืถังงัน เราเองก็เจ้าเล่ไม่แพ้เจ้าเหมือนกันสินะแต่เจ้าไม่เจียมตนและเฉลีวคิดบ้างเลยเหรอว่าเราน่ะไม่มีเยื่อใยอะไรกับเจ้าเลยแต่ปางนั้นแต่มันใจ ร, รักพระองค์รักสุดชีวิตและไม่ยอมตายเพื่อรอความรักมาจนกระทั่งปัจจุบันการนี้ อนุภาพของความรักมันยิ่งใหญ่นะไม่เพียงแต่ปางบันที่พระองค์หลอกลวงมันไตรมายังเจ็บปวดที่สุดเท่านั้นแม้ในชาติหลังสุดคือปัจจุบันนี้พระองค์ก็ยังมาทำความเจ็บปวดให้มันไตรอีกใครเป็นคนมาถอดกริก ที่ปักคำพีวิเศษมายาวิญของมันไตรออกใครเป็นคนปลดลายวิญญาณของพันธุมวดีให้พ้นจากอานาจของมันไตรไปใครใครเป็นต้นเหตุทำลายล้างอิทธิฤทธ์มายาการอันศักดิ์สิทธิ์ของมันไตรให้ต้องเสื่อมสลายไปชั่วขณะ กดจิตร่างคนางคนที่มันไตรสุดรักสุดบูชาผู้นี้แหละ <S <S น้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความปวดร้าวดาริงถอนใจยาวเอื้อมือจะไปแตะที่ไหลอันแลดูเหมือนผ น, นหญินของร่างนั้นแต่เจ้าผีร้ายผู้อมตะรีบเบนหนีทันทีอย่างหวาดสแสยงลุนลานกลัว ดารินจึงนึกขึ้นมาได้หดมือกลับมาจะยังไงก็ตามคืนนี้หล่อนจะต้องล่วงความหลังครั้งเก่าก่อนออกมาให้หมดเปลือกเอยต่อมาด้วยเสียงแผ่วเบาว่ามันไตรเรารู้สึกเห็นใจเจ้ามากนะแต่เจ้าก็ต้องเห็นใจเราบ้างเหมือนกันเพราะเรามีสภาพเยี่ยงมนุษย์ปุทุชนสามัญธรรมดาเวียนไหวตายเกิด และไม่มีทางที่จะทราบถึงอดีตบางบันของตนเองได้สิ่งใดที่เรากระทำลงไปแล้วเราก็กระทำลงไปในสภาพภพภูมิของเราในปัจจุบันชาติหารู้ไหมว่ามันจะไปกระทบเกี่ยวโยงไปถึงบันพชาติและการทำเพื่อรักษาตัวเราเองกระหมูคณะให้รอดปลอดภัยไปชั่วขณะเท่านั้นไม่รู้เลยว่าเจ้าจะมีจิตใจที่ลึกไปด้วยความพยาบาทจองเวร แล้วจ้องจะคอยล้างผลาญอยู่ชั่วกับชั่วกันไม่รู้จบนี่นะท่านราชปุโรหิตผู้มั่นคงเป็นอมตะทั้งความรักและความแค้นไหนๆท่านก็ได้เล่าให้เราฟังมาจนถึงบัดนี้แล้วก็ขอให้เล่าให้ฟังเพื่อเราจะได้รับรู้ไว้โดยตลอดเถอะเราย้อนกลับมาถึงเหตุการณ์ตอนที่เราสมัยเป็นจิตรางคนาบิดพลิวต่อข้อสัญญา หลอกล่อประวิงเวลาผันผ่อนให้ท่านรอคอยมาเรื่อยๆและเหตุการณ์หลังจากนั้นดำเนินต่อไปอยังไงอีกละ่ะจิตกลางคนางหนึ่งขวบปีเศษของการรอคอยอย่างอดทนและพักลีเสมอต้ น, นเสมอปลายของมันไพรกษัตริย์มหิตทีเดชะ คำสงครามแพขยายอำนาจกว้างไกลออกไปทั่วทุกเขตแคว้นที่แสงยันภาคจะญาติราไปถึงครานั้นยังมีอาณาจักรเล็กๆอยู่อาณาจักรหนึ่งมีชื่อว่าวิสุพิปัญจาละมีนครปัญจาละเป็นนครหลวงอาณาจักรปัญจาละ เป็นอาณาจักรที่ยังเล็กอยู่ก็จริงแต่การรบเข้ม <sk ill> แข็งเชียบขาดกร้านแกร่ ง, งนักภายใต้าการนำของ <spe c ười> กษัตริย์หนุ่มผู้เป็นเลือด <spe c ười> นักรบโดยแท้คือ <spe c ười> กษัตริย์ <spe c ười> อักคนิรุษดาริงสดุ้งผวายืดกายตรงทันทีถอดก้นบุรีออกจากปากดีดเข้าไปในกองไฟเบื้องหน้าทันที อุทานว่าอัคนิรุตหรอพระเจ้าค่ะอัคนิรุตอัคนิรุตผู้เปรียบเสมือนหนามยอออกมันไรมาจนทราปัจจุบันนี่แหละพระเจ้าค่ะมันไตรเน้นคำหนักแน่นดารินสะกดกลั้นความตื่นเต้นเอาไว้ถามเสียงเร็วปรือเล่าไปสิ คณิรุษนะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราหรือราชอาณาจักรเรารวมทั้งพระราชบิดาเราได้ยังไงร่างของคู่สนทนาของหล่อนผู้นั่งประดุดท่อนหินสงบนิ่งไปอึดใจใหญ่แล้วดารินก็ใจเย็นพอที่จะไม่รุกร้าเร่งมาเพื่อเปิดโอกาสให้แกมันได้อย่างเต็มที่เพียงแต่คอยตั้งสติควบคุมตัวเองไว้ทุกขณะ เพื่อไม่ให้เผลอเร่พลาดพลั้งใดๆแก่เจ้าปีศาจพ่อมดร้ายแม้แต่วินาทีเดียวดารินยังเตือนตัวเองตลอดเวลาว่าอมนุษย์ผู้อมะตะผู้นี้ไม่เพียงแต่จะมากไปด้วยกริยาอาคมวิทยาการเวทมนต์เท่านั้นยังมีจิตตานุภาพอันยิ่งใหญ่นักหากเผลอตัวเมื่อใดลอนอาจจะถูกสะกดได้ เมื่อ น, นั้นและยามใดที่หลอนตกอยู่ภายใต้อำนาจสะกดของมันหลอนจะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบทันทีจบตอนหน้าคาเทวีติดตามตอนต่อไปในแต่ปางบางัง